ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นวินัยะสังฆะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการัจนาพระมหาอาคมธรรมมาขโมแปลเรื่องที่สิบห้าภูตคามะวินิชย ก, ากถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของภูตคามก็คือต้นไม้ คำ ว, ว่าปูตคามนั้นเป็นชื่อแห่งต้นไม้และถาวรเป็นต้นที่เกิดจากพืชห้าอย่างในบรรดาปูตคามนั้นพืชห้าอย่างเหล่านี้คือหนึ่งพืชที่เกิดจากเงาสองพืชที่เกิดจากต้นสามพืชที่เกิดจากข้อสี่พืชที่เกิดจากยอดห้าพืชที่เกิดจากเมล็ดบรรดาพืชห้าอย่างนั้นที่ชื่อว่าพืชเกิดจากเงาได้แก่ขมิ้น ถิงวา่านน้าว่านเปละอุตพิษคาแฝ่แถวหมูหรือแม้พืชอย่างอื่นใดซึ่งเกิดที่ง้าวยอกที่ง้าวนั่นชื่อว่าพืชเกิดจากง้าวยี่ชื่อว่าพืชเกิดจากต้นได้แก่ต้นโพต้นไทตต้นดีปลีต้นมะเดือ่อต้นเต่าร้างต้นมะขิดหรือแม้พืชอย่างอื่นใดซึ่งเกิดที่ต้นงอกที่ต้นนั่น ชื่อว่าพืชเกิดจากต้นที่ชื่อว่าพืชเกิดจากข้อได้แก่อ้อยไม้ไผ่ไม้อ้อหรือแม้พืชอย่างอื่นใดซึ่งเกิดที่ข้องอกที่ข้อนั่นชื่อว่าพืชเกิดจากข้อที่ชื่อว่าพืชเกิดจากยอดได้แก่ผักชีล้อมแมงลักเถาย่านาำหรือแม้พืชอย่างอื่นใดซึ่งเกิดที่ยอดงอกที่ยอดนั่นชื่อว่าพืชเกิดจากยอด ที่ชื่อว่าพืชเกิดจากเมล็ดได้แก่ปุกปัณชาติอปรณชาติก็หรือแม้พืช อ, อย่างอื่นใดที่เกิดที่เมล็ดนอกที่เมล็ดพืชนั้นชื่อว่าพืชเกิดจากเมล็ดในเรื่องปูตคามและพีจคามนี้พิสุจน์สำคัญภูตคามว่าเป็นปูตคามตัดเองก็ดีใช้คนอื่นตัดก็ดีทำลายเองก็ดีใช้คนอื่นทำลายก็ดีเผาเองก็ดีให้คนอื่นเผาก็ดี เป็นอาบัติปาจิตติจิงอยู่เป็นอาบัติปาจิตติแก่พิสุผู้ยังภูตคามให้กำเริบเป็นอาบัติทุกกฎแก่พิสุผู้ยังผีชะคามแม้ทั้งห้าอย่างที่ผลจากภูตคามให้กำเริบเพราะฉะนั้นถ้าทำลายต้นไม้ภูตคามทั้งหลายก็เป็นอาบัติปาจิตติถ้าทำลายพวกผีชะคามสิ่งที่งอกขึ้นได้ที่เป็นผลที่เป็นเมล็ดก็ดี หรือว่าต้นที่ออกจากพื้นที่แล้วออกจากดินแล้วก็ดีก็เป็นอตบทุกกฎชื่อว่าพีชคามและปูตคามนี้อยู่ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีในทั้งสองอย่างนั้นพีชคามและปูตคามที่อยู่ในน้าคือเสวาวราชาทวกสารายทั้งที่มีใบและไม่มีใบทั้งหมดเช่นแหนและจอกเป็นต้น โดยที่สุดกระต่างฝ้าน้ำคือตะไคร่น้ำบัณดิตพึงสรางว่าเป็นภูตะคามชื่อว่าฝ้าน้ำหรือว่าตะไคร่น้าข้างบนแข็งมีสีกล้านข้างล่างอ่อนมีสีเขียวบรรดาเสวรชาตินั้นรากของสาหร่ายใดยังลงไปอยู่ในแผ่นดินแผ่นดินเป็นฐานของสาหร่ายนั้นน้ำเป็นฐานของสาหร่ายที่ลอยไปมาบนน้ำ เป็นปัจจิตีแก่พิสุผู้พระครูตรคามที่อยู่ในแผ่นดินในที่ใดที่หนึ่งก็ดียกขึ้นย้ายไปสู่ที่อื่นก็ดีเป็นปัจจิตีแก่พิสุผู้พระครูตรคามที่ลอยไปมาบนน้ำเหมือนกันแต่จะเอามือทั้งสองแหวกไปทางโน้นทางนี้แล้วอาบน้ำควรอยู่คือถ้าไปยกขึ้นมาเหนือน้ำก็เป็นอัมปัตจิตีแต่ถ้าแหวกหรือว่าไล่สาลายแหนเหล่านั้นไปแล้วก็อาบน้ำอันนี้ไม่เป็นไร แท้จริงน้ำทั้งสิ้นเป็นฐานของสารลลายที่อยู่ในน้ำนั้นเพราะเหตุนั้นสารลายนั้นยังไม่จัดว่าเป็นอนพิกุย้ายไปถุกที่อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็คือเหตุที่ไล่สาร่ายเหล่านั้นหรือว่าแหนเหล่านั้นไปเพื่อจะอาบน้ำแต่จะแกล้งยกขึ้นจากน้ำโดยเว้นจากน้ำเสียไม่ควรถ้ายกขึ้นพร้อมทั้งน้ำแล้ววางลงในน้าอีกควรอยู่นี่ก็ ถ้าเอาถังไปตักน้าขึ้นมาแนะสาดติดขึ้นมาอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เอาเทลงไปในน้าเหมือนเดิมเพราะว่ายกขึ้นมาพร้อมทั้งน้มด้วยไม่เป็นอบัตที่สุถอนถา ว, วันและหญ้าที่เกิดในน้ามีกออุบลและกอรประทุมเป็นต้นขึ้นจากน้กาก็ดีถ้าเสียในน้านั่นเองก็ดีเป็นป่าจิตตีถ้ากออุบลและกอปฐุมเป็นต้นที่คนอื่นถอนขึ้นไว้แล้วเป็นทุกกด จึงอยู่เกอุบนและกอปะปฐุมเป็นต้นที่คนอื่นถอนขึ้นไว้นั้นย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าในพีชคามก็คือยังไม่ตายยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไปตัดไปทำลายก็เป็นอบัตทุกฏกแต่ถ้าไปถอนขึ้นจากน้าเลยก็อบัติัจจิตีแม้สาหรายคือจอกและแหนที่เขายกขึ้นจากน้าแล้วยังไม่เหี่ยวย่อมถึงซึ่งอันสงเคราะห์เข้าในพืชที่เกิดจากยอดก็เป็นพีชคาม เ ป, าาเป็นพิจารณามนั้นก็ไปพลาดวาบทุกกฎเหมือนกันในอัตกถามหาปัญจรีเป็นต้นท่านกล่าวไว้ว่าแหน่ไม่มีรากน่อและแตะไคร้น้ําเป็นต้นเป็นวัตถุแห่งทุกกฎเหตุในคํานั้นไม่ปรากฏในอันทาอัตกถาท่านกล่าวไว้ว่ายังไม่เป็นภูตะคามที่สมบูรณ์เหตุนั้นจึงเป็นทุกกฎแม้คําในอันทาอัตกถานั้นก็ไม่สมกันกับพระบาลี จึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรับปาจิตตีในเพราะภูตคามปรับทุกโกรดในเพราะพิชคามชื่อว่าภูตคามอันไม่สมบูรณ์เป็นโกรดถาที่สามไม่ได้มาในบาลีไม่ได้มาในอัจฉกิาทั้งหลายเลยก็ถ้าจะพึงมีมติว่าแหนไม่มีรากและหนอนนั้นจักถึงการส่งเคราะห์ในพิชคามไซ้์แม้คำนั้นก็ไม่ควร เพราะเพื่อเช่นนั้นไม่เป็นมูลเหตุแห่งภูตะคามเลยอีกในหนึ่งคำว่าบรรดาฐานะที่หนักและเบาทีกษุควรตั้งอยู่ในฐานะที่หนักนี้เป็นลันกษณะแห่งวิในก็คือควรจะตั้งอยู่ในฐานะที่หนักสิ่งใดที่ไม่ควรไปทำก็ไม่ไปทำถ้าสงสัยหรือว่าน่าจะเป็นอาบัติก็ไม่ควรไปทำ ส่วนที่เหลือของจำพวกต้นไม้ที่ถูกตัดอยู่บนบกจัดว่าเป็นตอไม้ที่เขียวสดในตอไม้เขียวสดนั้นตอแห่งไม้กลุ่มไม้กระถินพิมานไม้ประยงและไม้ขนนุนเป็นต้นย่อมงอกขึ้นได้อีกตอไม้ น, นั้นท่านสมเคราะห์เข้าด้วยผูตาขามแม้เป็นตอไม้แต่ว่ายังงอกได้ก็เป็นผูตาขามส่วนตอแห่งต้นตาลและมะพร้าวเป็นต้นย่อมงอกขึ้นไม่ได้แต่ว่ายังไม่ตายเลยทีเดียว ต่อแห่งต้นตาลเป็นต้นนานท่านสงเคราะเอาด้วยผีชะคามเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่แห้งยังไม่เหี่ยวตายไปก็ยังเป็นผีชะคามไปทําลายนี่ก็ต้องอบดับทุกกฎส่วนต้นกล้วยที่ยังไม่ตกเครือท่านสงเคราะห์เข้าด้วยปูตะคามต้นกล้วยที่ตกเครือแล้วท่านสงเคราะห์ด้วยผีชะคามแต่ต้นกล้วยที่ตกเครือแล้วตลอดเวลาที่ยังมีใบเขียวอยู่ ท่านสงเคราหด้วยภูตะคาเหมือนกันแม้ภัยที่ตกถลุยแล้วก็อย่างนั้นแต่ไม้ภัยในเวลาที่แห้งลงมาตั้งแต่ยอดถึงอันสงเคราะห์ด้วยผีชคามภัยที่ตกขลุยแล้วนั้นสงเคราะห์ด้วยผีชคามชนิดไหนตอบว่าสงเคราะห์ด้วยผีชคามชนิดเกิดจากข้ออะไรเกิดจากต้นภัยนั้นตอบว่าไม่มีอะไรอะไรเกิดเลยจริงอยู่ ถ้าหากว่าอะไรอะไรไม่พึงเกิดคือต้นไผ่ที่ตกคุยเนี่ยพึงถึงการสงเคราะห์เข้าในภูตคามชนทั้งหลายตัดไม้ช้างหนาวเป็นต้นรวมเป็นกองไว้กิ่งทั้งหลายแม้ประมาณสอบหนึ่งงอกออกจาก่้นไม้ที่รวมเป็นกองไว้แม้ก็จริงถึงอย่างนั้นย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าด้วยผีชคกาเหมือนกัน จนตั้งหลายปักลงในพื้นดินเพื่อประโยชน์เป็นมนดบก็ดีเพื่อประโยชน์เป็นรั้วก็ดีเพื่อประโยชน์แก่การไต่เลื้อยขึ้นของถาวันก็ดีเมื่อจําพวกรากและใบงอกออกแล้วย่อมถึงอันนับเข้าเป็นภูตคามอีกแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นเมื่องอกเพียงตุ่มรากหรือเพียงตุ่มใบก็สงเคราะเข้าเป็นภีตคาเหมือนกันก็คือไอ้ที่เขาตัด ออกมาเป็นกิ่งแล้วถ้ามันงอกไปเขียวออกมายังไม่ได้ปักลงดินก็เป็นพิชฌามนะปักลงดินแล้วก็งอกรากอะไรออกมาก็กลายเป็นภูตคามไปมเมล็ดจําพวกใดจําพวกหนึ่งที่ชนทั้งหลายออาน้ํารดชําไว้ในแผ่นดินหรือว่าชนทั้งหลายใส่ดินเปียกลงในกระถางเป็นต้นเพาะไว้มเมล็ดทั้งหมดนั้นแม้เมื่องอกเพียงตุ่มรากหรือเพียงตุ่มใบก็จัดเป็นเพียงพืชเท่านั้นคือเป็นพิชฌาม ถ้าแม้ว่ารากทั้งหลายและหน่อข้างบนงอกออกก็ยังจัดเป็นพืชนั่นแลตลอดเวลาที่หน่อยังไม่เขียวก็เมื่อใบแห่งทั่วเขียวเป็นต้นลอกขึ้นหรือเมื่อหน่อแห่งข้าวเปลือกเป็นต้นเขียวสดเกิดใบมีสีเขียวแล้วย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าเป็นภูตคขามหน้าแข่งมเมล็ดตาทั้งหลายงอกออกทีแรกเหมือนเขียวสุกรแม้เมื่องอกออกแล้วก็จัดเป็นพีชคาเหมือนกัน ตลอดเวลาที่ม้วนกลีบใบข้างบนยังไม่คลี่ออกนองงอกทะลุเปลือกมะพร้าวออกเหมือนเข็มนาก็จัดเป็นพีชคามอยู่นั่นเองตลอดเวลาที่ม้วนกลีบใบเขียวคล้ายกับเขามาลึกยังไม่มีแม้เมื่อรากยังไม่ออกกลีบใบเช่นนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ถึงการสงเคราะเข้าในภูตคามที่ไม่มีรากแต่ถ้าเกิดงอกทั้งรากนอกทั้งใบออกมาก็เป็นภูตคาม จำพวกมเร็สมีเมเร็ดมะม่วงเป็นต้นพระวิเนทอนพึงตัดสินด้วยจำพวกข้าวเปลือกเป็นต้นพืชประเภทกาฝากหรือรุกชากอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นก็ดีเกิดที่ต้นไม้แล้วคลุมโอบต้นไม้ต้นไม้นั่นแหละเป็นฐานของก้านเป็นต้นนั้นสิ่งสุพรากก้านเป็นต้นนั้นก็ดีถอนขึ้นจากต้นไม้นั้นก็ดีเป็นปาจิตตีถ่าวันชนิดหนึ่งไม่มีรากย่อมพันพุ่มไม้ป่า และท่อนไม้ดุดวงแหวนคือประเภทฝอยทองแม้สวรร น, นั้นก็มีวิธีใชยอย่างนี้เหมือนกันที่หน้ามุกเรือนกำแพงชุกชีและเจดีเป็นต้นมีตะไคร่น้ำสีเขียวตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดใบสองสามใบย่อมถึงการสังเคราะห์ก็เป็นพืชเกิดจากยอดคือเป็นพีชคามเมื่อใบทั้งหลายเกิดแล้วเป็นวัตถุแห่งปัจิตีก็คือเป็นภูตคามไปเพราะเหตุนั้น จะให้การฉาบ ป, ปูนขาวในฐานะเช่นนั้นไม่ควรจะให้การฉาบน้ำปูนขาวที่ละเอียดบนที่อันอนุสัมันธ์ฉาบแล้วควรอยู่คือให้อนุสับันธฉาบก่อนแล้วค่อยฉาบที่หลังก็ได้ถ้าในฤดูร้อนแตะใคร่น้ําแห้งติดอยู่จะเอาไม้กวาดเป็นต้นขูดแตะใคร่น้ํานั้นออกเสียวควรอยู่ถ้ามันแห้งแล้วก็ขูดได้แต่ใคร่น้ําข้างนอกหม้อน้ําดื่มเป็นต้นเป็นวัตถุแห่งทุกกฎ อยู่ภายในเป็นอโภหาริกก็คือดื่มได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่ควรเป็นภาแม้เห็ดราที่ไม้ชมราฟันและขนมเป็นต้นเป็นอโภหาริกเหมือนกันสมจริงดังพระดำรํำดาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าฝาที่เขากระทําบริกรรมด้วยอย่างไม้เกิดเป็นเห็ดราที่สุพึงชุบผ้าให้เปียก บ, บีบแล้วเช็ดเถิดปาสารชาติก็คือพวกราหิน ปาสานะดันโดจะคล้ายหินเสวาละก็คือสาหร่ายเสรียกะคือเอื้องหินหรือว่าเอื้องผาเป็นต้นยังไม่มีสีเขียวสดและไม่มีใบเป็นวัตถุแห่งทุกกฎก็คือเป็นพวกพิชฌามเหตุเป็นวัตถุแห่งทุกกฎเหมือนกันตลอดเวลาที่ยังโตมอยู่จำเดิมแต่บานแล้วเป็นอโผหาริกเหตุนีบานแล้วไม่เป็นไรคือบานแล้วยังไงมันก็ต้องแห้งเหี่ยวไปก็พิกสุเก็บเหตุจากต้นไม้สด แกเอาเปลือกต้นไม้ออกเพราะเหตุนั้นจึงเป็นปาจิตตีเพราะการแกะเปลือกไม้นั้นก็คือเปลือกไม้สดนะถ้าเป็นเปลือกไม้แห้งไม่เป็นอาบัตกแม้ในสเก็ตไม้ก็มีในนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเห็ดตูมอ ย, ยู่ก็เป็นวัตถุแห่งทุกกฎแต่ถ้าไปตั้งอยู่บนต้นไม้สดแกละเปลือกไม้ออกมาก็เป็นปาจิตตี สะเก็ดแห่งต้นช้างหนาวและต้นกลุ่มเป็นต้นหลุดจากต้นแล้วยังเกาะอยู่เมื่อพิจุถือเอาสะเกดนั้นไม่เป็นอาบัติแม้ยางไม้ไหลออกจากต้นไม้แล้วยังติดอยู่ก็ดีติดอยู่ที่ต้นไม้แห้งก็ดีจะถือเอาควรอยู่จะถือเอาจากต้นที่ยังสดไม่ควรแม้ในครั้งก็มีในอย่างนี้เหมือนกันเมื่อพิจุเขย่าต้นไม้ให้ใบเหลืองหล่นก็ดี ถ้าไม่ดอกมีดอกกัิกาโรยเป็นต้นหล่นก็ดีเป็นป่าจิตตีทั้งนั้นนั้นใบไม้เหลืองนี่ก็ไม่ควรจะไปเขย่าให้ตกให้มันตกมันเองแม้เมื่อพิกษุจะรึกตัวอักษรลงบนต้นไม้มีต้นช้างนาวและต้นสลัดใดเป็นต้นตรงที่ยังอ่อนก็ดีที่ใบตาลที่เกิดอยู่บนต้นตาลเป็นต้นนั้นก็ดีด้วยความขนองมือก็มีในนี้นั่นแหลก็คือเป็นอบัตป่าจิตตี เมื่อพวกสา ม, มเณรเลือกเก็บดอกไม้อยู่พิกสุจะเนียวกิ่งลงให้ก็ควรแต่พิสุอย่าพึงอบน้ำดื่มด้วยดอกไม้เหล่านั้นพิกสุต้องการอบกลิ่นน้ำดื่มพึงอุ้มสา ม, มเณรขึ้นแล้วให้เก็บดอกไม้ให้แม้กิ่งไม้ที่มีผลตนเองต้องการจะขบฉันอย่าพึงเหนียวลงมาพึงอุ้มสา ม, มเณรขึ้นแล้วให้เก็บผลไม้ จะจับฉุดมาร่วมกับสำเนินทั้งหลายผู้กําลังถอนไม้ก่อหรือถาวรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ควรนะจะไปช่วยสำเนิฉุดต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่เป็นพุทธคามอยู่ก็ไม่ควรแต่เพื่อให้เกิดความอุตสาหะแก่สมเนิเหล่านั้นจะจับที่ปลายแสดงท่าทีฉุดดุดกําลังลากมาควรอยู่ก็คือทําทีเหมือนกับไปช่วยฉุดแต่ว่าไม่ได้ออกแรงหรอกให้สมเนิมีกําลังใจ ติ๊กตุก่กีดกิ่งต้นไม้ที่มีกิ่งงอกขึ้นอันตนมิได้ให้อนุสัมบัญทำให้เป็นกัปปิยะถือเอาเพื่อประโยชน์แก่พัดไล่แมลงวันเป็นต้นที่เปลือกหรือที่ใบโดยที่สุดแม้ด้วยเล็บมือเป็นทุกกวดเพราะว่ากิ่งไม้นั้นยังงอกได้ควรจะต้องให้ทากัปปิยะแม้ในถิ่งสดเป็นต้นก็ใ น, นนี้แหล ก็ตั้งหากว่ารากแข่งขิงตดที่พิกตุให้กระทาให้เป็นกับยักแล้วเก็บไว้ในพื้นที่เย็นงอกขึ้นจะตัดที่ส่วนเบื้องบนควรอยู่ถ้าเกิดหนอจะตัดที่ส่วนข้้งล่างก็ควรเมื่อรากกหนอเกิดแล้วจะตัดไม่ควรขนาดขิงที่สะเขนเอาไว้แล้วนะถ้าเกิดมันงอกรากขึ้นมาก็ไปตัดส่วนบนที่ไม่โดนรากถ้าเกิดมันงอกนอขึ้นมาก็ไปตัดส่วนล่าง แต่ที่มีโดนนอถ้าเกิดทั้งรากทั้งหนอขึ้นมาอันนี้ไปตัดไม่ควรแนละ้วเทิดตุเมื่อจะกวาดพื้นดินด้วยคิดว่าเราจะตัดหญ้าด้วยสี่ไม่กวาดดังนี้ตัดเองก็ดีใช้คนอื่นตัดก็ดีซึ่งหญ้าและชวันเป็นต้นย่อมไม่ควรแม้ถ้าเมื่อจะเดินจงกลมแกล้งเอาเท้าทั้งสองเหยียบไปด้วยคิดว่าสิ่งที่ขาด จ, จงขาดไปสิ่งที่จะแตกจงแตกไป เราจะแสดงที่ที่เราจงกลมดังนี้ตัดเองก็ดีใช้คนอื่นตัดก็ดีย่อมไม่ควรแม้เมื่อพิสุทำหญ้าหรือถาวรให้เป็นขมวดหญ้าและถาวรจะคาแม้จะทำให้เป็นขมวดก็ไม่ควรชนทั้งหลายตอกไม้แมงมุมผูกหนามที่ต้นตาลเป็นต้นเพื่อต้องการไม่ให้พวกโจรขึ้นลักการกระทาอย่างนั้นไม่ควรแก่พิสุก็ถ้าว่าไม้แมงมุม เป็นแต่เพียงติดอยู่ที่ต้นไม้เท่านั้นไม่บีบรัต้นไม้ควรอยู่แม้จะกล่าวว่าเธอจงตัดต้นไม้จงตัดเถาวันจงถอนเหง้าหรือรากดังนี้ก็ควรอยู่เพราะเป็นคำพูดไม่กำหนดลงแน่นอนแต่จะกำหนดลงไปพูดคำเป็นต้นว่าจงตัดต้นไม้นี้ไม่ควรถึงแม้การระบุชื่อกล่าวคำเป็นต้นว่าจงตัดจงทุบจงถอนต้นมะม่วงเถาวัลเตีียม หัวเผือกมันหญ้ามุงกระต่ายสเก็ตต้นไม้นูน้นดังนี้ก็เป็นคำที่ไม่กำหนดแน่นอนเหมือนกันแค้จริงคำเป็นต้นว่าต้นมะม่วงนี้เท่านั้นชื่อว่าเป็นคำกำหนดแน่นอนคำนั้นไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าบอกให้ตัดต้นไม้นี้ตัดมะม่วงนี้หรือว่าขุดดินขุดหลุมนี้ขุดตรงนี้อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าบอกให้ขุดหลุมหรือว่าตัดต้นไม้ไปตัดต้นมะม่วง ที่ก็เป็นคำกล่าวที่แม่แน่นอนในนี้ก็สมควรแม้พิสุกประสงจะระบมบาแกล้งก่อไฟข้างบนกองหญ้าเป็นต้นเผาเองก็ดีใช้คนอื่นเผาก็ดีย่อมไม่ควรแต่จะกล่าวไม่กำหนดว่าจงต้มถั่วเขียวจงต้มถั่วเหลืองเป็นต้นควรอยู่จะกล่าวอย่างนี้ว่าจงต้มถั่วเขียวเหล่านี้ไม่ควรแต่พิสุควรกล่าวอย่างนี้ว่า เธอจงรู้มู ล, ละเพศศัตท์นี้จงให้รากไม้หรือว่าใบไม้นี้ก็ดีจงนำต้นไม้หรือเถาวัล น, นี้มาก็ดีต้องการดอกไม้หรือผลไม้นี้ก็ดีจงกระทำต้นไม้เถาวัลหรือว่าผลไม้นี้ให้เป็นกัปปิยะก็ดีด้วยคำเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันพิสุกระทำการปลดเปลื่องภูตขามก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ภิกษุผู้จะ บ, บริโภคพึงให้อนุสัมบัน ทำให้เป็นกัปปิยะซ้ําอีกเพื่อปลดเรื่องผีชคามอนหนึ่งการกระทํากัปปิยะในสิกขาบทนี้บัณฑิตพึงทราบโดยกระแสะแห่งสูตรนี้ว่าที่สูตทั้งหลายเราอนุญาตเพื่อบริโภคผลไม้ด้วยสมณกัปปะคือสมณโวหารห้าอย่างนี้คือผลไม้ที่จี้ด้วยไฟอย่างหนึ่งที่แทงด้วยมีดอย่างหนึ่งที่จิก ด, ด้วยเล็บอย่างหนึ่งผลที่ไม่มีเมล็ดอย่างหนึ่ง ที่ปล่อนเมล็ดออกแล้วเป็นที่คำรบห้าก็คือให้ทำกับิยะด้วยการห้าอย่างนี้คือทำด้วยไฟด้วยมีดด้วยเล็บ ด, ด้วยผลไม้ที่ไม่มีเมล็ดหรือว่าปล่อนเมล็ดออกแล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาักีปริชิตตังมีความว่าชาบหรือลวกเผากี้แล้วด้วยไฟบทว่าสัท ธ, ธปริชิตตังมีอัดว่าจดหรือฝานหรือตัด หือแทงด้วยมีดเล็กๆในข้อว่าจิก ด, ด้วยเล็บ ก, ก็ในนี้เหมือนกันผลไม้ที่ไม่มีเมล็ดและผละไม้ที่ปล่อนมเมล็ดออกแล้วเป็นกัปปิยะด้วยตัวมันเองแท้ทีส่สุเมื่อจะทํากัปปิยะด้วยไฟพึงทํากับปิยะด้วยบรรดาไฟฟืนและไฟโคมัยเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้ด้วยแท่งโลหะที่ร้อนก็ใช้ได้นะก็แล้วัตถุ นั้นจับไว้ข้างหนึ่งพึงกล่าวคําว่ากับปิยังแล้วทําเถิดปัจจุบันนี้ก็กล่าวว่ากับปียังกรโรหิจงทำให้สมควรพวกอุบาสกหรือว่าธรรมเนก็กล่าวว่ากับปียังพันเตสมควรแล้วครับเมื่อจะทําได้มีดแสดงรอยตัดรอยพาด้วยปลายหรือว่าด้วยคมแห่งมีดที่ทําด้วยโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้แห่งเข็มและมีดตัดเล็บเป็นต้น พึงปล่าว่ากับปิยังแล้วกระทําเถิดเมื่อจะทํากับปียะด้วยเล็บอย่าพึงทําด้วยเล็บเน่าก็เล็บของพวกมนุษย์สัตว์ตีทามีสีหะเสือโครง่งเสือเหลืองและลิงและแห่งนกทั้งหลายเป็นของแหลมคมพึงทําด้วยเล็บเหล่านั้นจะใช้เล็บสัตว์ก็ได้กลีบแห่งสัตว์มีม้ากระบือสุกรเนื้อและโคเป็นต้นไม่คมอย่าพึงทําด้วยกลีบเหล่านั้นแม้ทําแล้วก็ไม่เป็นอันทํา ตัวเล็บช้างไม่เป็นกีดจะทำกับปิยะด้วยเล็บช้างก็ควรถ้าเกิดมีการตัดการจิต ด, ด้วยเล็บเหล่านั้นควรอยู่แต่การทำกับปิยะด้วยเล็บเหล่าใดสมควรพึงแสดงการตัดการจิต ด, ด้วยเล็บเหล่านั้นที่เกิดอยู่ในที่นั้นก็ดีที่ยกขึ้นถือไว้ก็ดีกล่าวว่ากัปปิยังแล้วกระทำเถิด บรรดาพื่อเป็นต้นเหล่านั้นถ้าแม้ว่าพืชกองเท่าภูเขาก็ดีต้นไม้จำนวนพันที่เขาตัดแล้วทำให้เนื่อเป็นอันเดียวกันกองไว้ก็ดีอ้อยมัดใหญ่ที่เขามัดรวมไว้ก็ดีเมื่อทำพืชเมล็ดหนึ่งกิ่งไม้กิ่งหนึ่งหรืออ้อยลำหนึ่งให้เป็นกับิยะแล้วย่อมเป็นอันทาให้เป็นกับิยะแล้วทั้งหมดอันนี้หมายถึงว่าติดเนื่องเป็นอันเดียวกัน ลำอ้อยและไม้ฝืนเป็นของอันเขามัดรวมกันไว้อนุสสมบันจะแทงไม้ฝืนด้วยตั้งใจว่าเราจะกระทำอ้อยให้เป็นกับิยะดังนี้ก็ควรเหมือนกันเพราะว่ามันเนื่องกันถึงกันแต่ถ้าเป็นของที่เขาผูกมัดด้วยเชือกหรือว่าถาวนใดจะแทงที่เชือกหรือว่าถาวันนั้นไม่ควรชนทั้งหลายบรรจุกระเช้าให้เต็มด้วยอ้อยเป็นท่อนๆแล้วนำมาเมื่อทำอ้อยลำหนึ่งให้เป็นกับิยะแล้ว อ้อยทั้งหมดย่อมเป็นอันทำกับอิยะแล้วเหมือนกันก็ถ้าว่าพวกทายกนําพัดปนกับพลิกสุขเป็นต้นมาเมื่อพลิกสุกกล่าวว่าจงกระทํากับอิยะกับิยังกโรห oh ิหรือกับิยังกโรห oh ิถ้าแม้ว่าอนุสัมบัญแทนที่เมล็ดข้าสวยก็สมควรเหมือนกันหมายถึงเมล็ดพลิกสุขที่มันยังงอกได้แม้ในเมล็ดงาและข้าวสารเป็นต้นก็ในนี้นั่นแหละ แต่พลิกสุกเป็นต้นน้ำที่เขาใส่ลงในข้าวต้มไม่ตั้งอยู่ติดเนื่องเป็นอันเดียวกันบรรดาพลิกสุกเป็นต้น น, นั้นพึงทํากับปิยะแทงทีละเม็ดนั่นเทียวเขจะไปทํำยังไงแทงทีละเม็ดถ้าเกิดพลิกสุกนั้นมีตักงห้าสิบเม็ดใส่ในข้าวต้มเพราะมันไม่เนื่องกันแต่ถ้าเป็นข้าวต้มที่คนมเมล็ดข้าวต้มมันติดกันหมดเลยใส่พลิกลงไปก็แทงตรงไหนก็ได้แต่ถ้ามันเหลวมเมล็ดไม่ติดกันนี่ก็ เอาเทลงไปเข้าวสวยก็ได้หรือว่าตักมาใส่ในบาตรในเข้าสวยแล้วก็ให้ทํากับิยะในบาตรก็ได้เยื่อในแห่งผลมะกรีเป็นต้นร่อนเปลือกแล้วคลอนอยู่คือหลุดจากกลาคลอนอยู่ข้างในเพลกตุ พ, พึงให้ทุบแล้วทํากับิยะถ้ายังติดเนื่องเป็นอันเดียวกันกับเปลือกจะทํากับิยะแม้ทั้งเปลือกก็คือทั้งกลานั้นก็สมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ภูตคาลมแล้วก็ผีชคามซึ่งเวลาจะขบฉันต้องทํากับยะถ้ามันยังสามารถงอกได้เป็นการเจริญสติด้วยนะให้มีสติสัมชัญยะรู้ว่าจะขบฉันพวกผีชคามภูตคามเหล่านี้ก็ระลึกถึงพระวินัยก็เป็นปัจจัยในการที่ทาให้สีนั้นบริบูรณ์เมื่อสีบริบูรณ์สมาธิปัญญาก็บริบูรณ์ตามได้อันนี้ก็หมดเวลาอนุโมทนาทุกท่านสาธุสาธุสาธุ